ที่สถานีรถไฟราบบุรีมีร้านข้าวต้มปลาอยู่ร้านหนึ่งคนก็ชมว่าอร่อยแล้วก็ราคาถูกนะแต่ว่าที่น่าสนใจ ก, กันกว่านะคือว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจเลยชื่อโจนะคนที่ไม่มีเงินซื้ออาหารเนี่ยเขวก็ให้นะให้ฟรีๆเลย เพราะว่าคนที่มาขึ้นรถไฟเนี่ยมันก็มีคนจนนมากที่ยากจนยากไร้และบางคนนะก็ไม่ได้มาขอนะแต่ว่าพอสังเกตนะเจ้าของร้านสังเกตนวะ่ามีคนที่เขายากจนไม่มีอะไรกินเนี่ยก็เอาไปให้เลยนะข้าวเนี่ยที่ขายเนี่ยแล้วก็จะทำแบบนี้ได้เนี่ย น้ำใจไม่พอนะต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยเขาหิวเขาไม่มีเงินแต่เขาก็ไม่กล้าไปขอข้าวใครกินอย่างตัวกระลาวันเนี่ยเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาซื้อตั๋วรถไฟลแล้วก็นั่งรอตั้งแต่เที่ยงรอจนถึง4ี่ห้าโมงเย็นโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยัแกก็เอาอาหารานั้นไปให้ แต่ว่าจะให้แบบตรงๆบางทีก็ต้องระวังนะต้องรู้จักให้เช่นอาจจะพูดว่าเนี่ยวันนี้ผมโชคดีจังนะขายดีนะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันบ้างต้องมีวิธีพูดนะโจรกระบอกเนี่ยเพื่อให้ คนที่รับเนี่ยเขาสบายใจไม่รู้สึกด้อยเพราะว่าการให้อะไรกับใครก็ตามเนี่ยถ้าพูดไม่ดีนะไม่ระมัดระวังเขาก็ไม่อยากรับนะเพราะเขารู้สึกว่าเขากลายเป็นคนต่าต้อยไปหรือบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกดูถูกนะอันนี้แล้วว่าน้ำใจเนี่ยนอกจากจะมีแล้วก็ต้อง คอยสังเกตด้วยบางทีเห็นคนคือเขายากไรนะไม่มีอะไรกินก็ไม่ได้ไปให้เองนะให้ลูกน้องเนี่ยนะเอาไปให้แล้วก็บอกลูกน้องนะว่าให้พูดดีๆนะเพราะว่าถ้าพูดไม่ดีเนี่ยคนรับเขาก็ไม่สบายใจหรือบางทีเขาาจะไม่รับเลย เพราะเขาสึกว่าเสียศักดิ์ศรีนะเรกว่าเดีย๋ยวว่าแต่คนเป็นเลย น, นะบางทีคนตายนี่ก็ต้องใส่ใจด้วยเห็นเล่ว่าเนี่ยมีค่าวนึงเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยท่าทางก็อ่อนเพลียมากตอนนั้นเป็นช่วงโควิดหลายคนก็ไม่มีงานทำารุนี้ก็จะกลับบ้านขึ้นรถไฟแต่ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเลย แกก็ไปช่วยพยุงนะขึ้นรถไฟพอขึ้นไปถึงเนี่ยเบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วขอลงดีกว่าพอลงมาที่ชานชลาบอกว่าเป็นลมเลยแล้วก็ขาดใจตายตรงนั้นลหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยนะตัวกระบอกเนี่ยแกก็เอาอาหารเอาน้ำไปตั้งไว้ให้กับผู้ที่เสียชีวิตทำทุกวันเลยนะ กรทั้งหนึ่งเดือนต่อมานี่ก็มีญาติของผู้ตายเนี่ยมาหาแล้วก็บอกขอบคุณนะที่เอาอาหารเอาข้าวเนี่ยให้แฟนผมกินเนี่ยทุกวันเลยขอบคุณมากแล้วก็ตกใจเลยนะไม่รู้ได้ยังไงนะแล้วก็มาชี้ถูกที่ด้วยถูกคนด้วย อันนี้ก็เขาก็เลยเชื่อนะว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยนะแม้กระทั่งกับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็มีอนิสงส์นะแม้ว่าจะไม่ได้มีพิธีอะไรมากไม่ได้มีการถวายสังฆทานแต่น้ำใจที่ให้เนี่ยนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไอ้บุญที่ทำนี่มันก็ส่งไปถึงเขาได้นะ แล้วเขาก็คงจะมาแจ้งให้กับสามีทราบนะว่ามีคนนะทบุญอุทิศให้นะจ้กระบอกเนี่ยว่าเนี่ยการทำนี่มีความสุขนะมันเป็นความสุขที่อธิบายไม่ถูกนะแม้ว่าจะไม่ได้เงินแม้ว่ากำไรจะน้อยนะแต่การช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากซึ่งก็มีมากมายนะที่พบเห็นได้นะตามสถานยรถไฟเนี่ย เขามีความสุขแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ทำเนี่ยมันก็มีคนมาช่วยสนับสนุนจุนเจือนะไม่ใช่แค่ญาติพี่น้องแต่คนรู้จักพอเขารู้ว่าเนี่ยโจนเนี่ยเขาทําอาหารหรือให้อาหารกับคนที่ยากไร้เนี่ยก็มีคนมาสนับสนุนนะมาซื้ออาหาร ที่ร้านของเขาแล้วบางรายเนี่ยให้เงินนะแต่ไม่กินนะบอกพี่แมวก๋วยเตี๋ยวนะ เ, เก็บไว้ให้คนที่เขาไม่มีจะ ก, กินหรือว่าให้เงินแล้วก็ฝากเงินเอาไว้เพื่อให้โจ้เนี่ยเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อให้การช่วยแบบนี้นี่ก็ดีนะเพราะว่า คนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยคนที่เขาอยากจนนี่มีเยอะและบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้าเรารู้ว่ามีใครบางคนที่เขามีน้ําใจคอยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก็เอาเงินไปให้เขาหรือเอาเงินไปฝากเขาเพื่อทําให้เขาเนี่ยเป็นตัวกลางนะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปร้านอาหารแบบนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะนะทั้งกว๋วยทั้งร้านกว๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวหมูแดง บางทีก็ทําสระเปาขายบางทีก็ขายเครื่องดื่มเจ้าของร้าน้มีน้ําใจนะเห็นใครที่เขาเดือดร้อนก็ทําให้ฟรีๆใครมาขอไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรดแบบนี้มีเยอะเลยทั่วประเทศเลยนะพราะคนไทยเรามีน้ําใจแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าร้านเหล่า น, นี้เนี่ยอยู่ที่ไหน เราอยากจะอุดหนุนสนับสนุนร้านแบบนี้นะเพื่อเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางช่วยเหลือคนยากคนจนแต่ทีนี้มันสะดวกแล้วนะเพราะมันมีโครงการนี่ชื่อว่าโครงการปันกันอิ่มนะโครงการนี้เนี่ยเขาทำแอปนะแล้วก็ทําเว็บไซต์ว่ามีร้านไหนบ้างใี่กรุงเทพหรือตามจังหวัดต่างๆใครอยู่ใกล้ร้านไหนก็ไปอุดหนุนร้านเหล่านั้น อาจจะหนุนด้วยการเป็นลูกค้าซื้ออาหารเข้าหรือว่าให้เงินฝากเข้าไว้เพื่ออาไปช่วยคนอื่นต่อเดี๋ยวนี้การทำความดีนะมันทำได้ง่ายขึ้นหนื่งที่อยู่บ้านเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะแค่โอนเงินไปให้นะร้านนั้นร้านนี้ที่เรารู้จักหรือที่เราเห็นทางแอปนะอันนี้ก็สาหรับคนที่มีน้าใจเนี่ยก็ ลองใช้นะโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์นะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะปันกันอิ่มเนะี่ยเข้าใจว่าเขามีเว็บไซต์นะแล้วก็มีแอปนะที่จะช่วยเหลือคนที่อยากจะทําความดีทำความดีแบบนี้นะมาได้ความสุขนะสุขตัวเองก็สุขใจนะคนอื่งก็สุขใจด้วยนะทั้งเจ้าของร้านอาหารแล้วก็คนที่ได้รับ ซึ่งบางคนนี่เขาก็ไม่ไม่อยากจะมาขอนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าขอร่า จ, จะไม่ได้ถูกปฏิเสธแล้วจะศึกเสสักศีนี่ดังนั้นร้านพวกนี้เนี่ยก็ต้องคอยจับตาดูได้ว่าใครเนี่ยที่ท่าทางยากไร้ก็กวักมือเรียกนะหรือว่าเดินเข้าไปหาแล้วก็เอาของเอาน้ำเอาก๋วยเตี๋ยวให้นะถ้าคนที่มีน้าใจแบบนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะล้วก็จะได้รับการสนับสนุน จากคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีการช่วยเหลือเจือจานกันกว้างขวางแล้วก็ทําให้สังคมเราดีขึ้นหน้าอยู่ขึ้นคนตกทุกข์ได้ยากมีน้อยลงหลายคนก็เป็นคนดีนะแต่ว่าตกงานถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเขาจะรู้สึกด้อยรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีแต่ถ้ามีใครมาช่วยเขาเห็นใจเขารับรู้ถึงความทุกข์ของเขาก็ทำให้เขามีกําลังใจอยากทำความดี แล้วก็มีเรี่วมีแรงเลี่ยงดูลูกหลานพ่อแม่นะต่อไปเรื่อยๆ